ต่อไปนะครับมาดูในบทวิธีหน้าเท่าไรครับร้อยเจ็ดสิบแปดข้อที่ห้าสิบเจ็ดนะครับที่สือรูปใดคืออาบน้ำในภายในกื่เดือนยกเวนมีสมัยที่จำเป็นต้องอาบบัดปาจิตตีข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นสมัยในการอาบน้ำนั้น คือสมัยที่ร้อนหนึ่งเดือนครึ่งท้ายฤดูร้อสมัยที่อบอ้าวหนึ่งเดือนแรกของฤดูฝนสมัยที่อาภาษสมัยที่ทาการงานสมัยที่เดินทางไกลสมัยที่มีลมเจือผนนี้เป็นสมัยในเรื่องนั้นห้ามเฉพาะในเขตมัชิมะประเทศเท่านั้น เดี๋ยวพอไปเข้าคำนพิบาลมันจะอ่านให้ฟังว่าไม่ใช่เมื่อประเทศหไหนถึงไหนเขาจากไหนถึงไหนอ่าแล้วก็ไม่รู้อยู่ดีนะให้ก็อบอกชื่อเมือง น, นั้นเมือง น, นี้ถึงเมือง น, นั้นนะก็ไม่รู้อยู่ดีอยู่ตรงไหนก็น <c oughs> มีชื่อเมืองแต่สมัยโบ ก, การใช่ไหม <c oughs> สมัยนี้เปลี่ยนหมดและะ้วของเขา <c oughs> เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรแล้วไม่รู้ยังไงนะต้องถามคนที่เขาสืบนีะครับสืบหาเรื่องราวนะ เนี่ยนะครับห้ามจะพ่อในเข็มไม่ช่มประเทศเท่านั้นถ้าเป็นประเทศไทยนี่มีปัญหาหรอกนะครับแม้แต่ประเทศอินเดียนั้นไม่ใช่ทุกประเทศหรอกมันจะพ่อในเข็มไม่ช่มาประเทศที่ท่านบอกไว้นะครแควใดหนึงแคว้ไหนแค่นั้นนะถ้าไปที่อื่นม่นป็นไรอ่าได้เป็นนิดทุกวันนะครับทุกวันเลยวัเราสองรอบก็ยังได้นี่นะอันนี้นะถ้าเป็นในม่ใช่มประเทศเนี่ยสิบห้าวันถึงอ่านน้ำได้ทีนะนะครับ ถ้ายังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยเนี็ยแล้วก็ไปอ่านนะน่าแต่มันที่อ่านนะน่าแต่มันนั้นไปนะครับยังไม่ถึงมันที่สิบห้าเลยนี่ครับก็ไปอ่านนะก่อนนะภายในนะนะครับอันนี้ก็ต้องบททัดปลานิีิศิษาบนี้นะครับเว้นแต่มีสมัยที่จําเป็นนะนะครับอนสมัยที่จําเป็นนี่นคื อ, อไอ้ล่ะสมัยที่ร้องนะครับก็าหนึ่งเดือนครึ่งท้ายดูรอ้อน สมัยที่อบอ้าหนึ่งเดือนแรกของฤดูฝนคือสมัยนี้จะร้อนมากนะไอหนึ่งเดือนขึ้นของท้าวฤดูร้อนก็จะเรียก ว, ว่าอะไรฤนดะูอ่างลมใช่ไหมครับมันปลายร้อนต้นฝนนะมันจะเป็นช่วงฤดูอา่างลมลมไม่ค่อยเข้านะครับมันจะร้อนมากช่วงนั้นนะแล้วพอไอเดือนแรกของฤดูฝนเนี่ยช่วงนี้มันจะอบอ้าวมากเพราะว่าฝนมันจะตกทีกก่ภาคเดือนต่อไปนะครับช่วงนี้ีนะมันจะร้อนแล้วก็อบอ้าว เนี่ยถ้าเป็นสมัยนี้ก็สามารถอ่านน้ําได้นะครับยังไม่ถึงครึ่งเรือนก็อ่านน้ําได้นะสมัยที่อาภาษนะครับโป่วยนะโป่วยแปลว่าจะต้องใส่ใะอ่านน้ําถึงจะหายจะดีขึ้นนะครับพราการป่วยบางอย่างน่ะพอได้ส่งน้ํำมันช่วยได้จริงนะตัวล้ออะไรนี่ไม่ได้ร้อนมากนะแบบน้อนไม่ค่อยสบายขั้นในขั้นตัวงี้ครับมางทีไปอ่านน้านะถ้ารู้สึกดีขึ้นอนะครับอ่านน้าช่วยได้จริงเนี่ยสมัยนี้ก็อ่านได้ สมัยที่ทำการงานพอทําการงานก็เหลือเงเหนือไหลชัย้อยใช่ไหมถ้าบอกว่าการงานนั้นไม่เป็นที่ต้องเป็น น, ปนัว่ากรรมงก่อสร้างนะครัแม่ละข่ายขยะ น, นี่นะครับทำร่างความอาหารกว่าขยะ น, นี่ใช่ไหมเนี่ยก็ชื่อว่าชาวทําการงานนะครับเขาสามารถอ่านน้าได้เลยเนี่ยเหนือไทยมันก่ อ, อกใช่ไหมนะครับสมัยที่เดินทางกาไกลนีครับเดินทางไกลเนี่ยอะไรนะอย่างน้อยกึงโยดใช่ไหมกึงโยดแปกิโลนครับ ในขณะที่เดินทางไปเนี่ยก็อ่านน้ําได้พอไปถึงที่แล้วก็อ่านน้ําได้ครับและสมัยที่ลมเจือฝนนะครับมีลมมานะแล้วก็มันมีฝนมานะครับเพ่ากับลมแล้วก็มัเท่าทุเรียนมาดนตัวด้วยใช่ไหมครับเรียกฝนเจือทุเรีนนี้นะสมัยนี้ก็สามารถอาบน้ำได้เหมือนกันก่อนถึงครึ่งเรือนก็สามารถอาบน้ําได้นี่ในสมัยนะครับถ้าไม่ใช่ในสมัยนี้นะ แต่อ่านหน้าเขาภายในยังไม่ถึงขึ้นเรือนะก็อ่านหน้านลนะครัาในเขตนิวซีนด์ประเทศก็จะต้องไปตีนสิทธิขามวนนี้ใช่ปะสำหรับผู้ที่ไปอินเดียนะก็ต้องดูให้ดีว่าระยะนี้ตัวเองเข้าถึงเขตนิวซีแประเทศนี้แต่ส่วนใหญ่แวลาเขาไปอินเดียนะเขาเดินทางตลอดใช่รับเขาเดินทางไปจากที่นั่นแล้วก็ไปที่นั่นที่นี่ใช่ไหมครัมันก็ได้สมัยเดินทางกัน เะาทำใจเลยค่ะพวกก็ได้สมัยนะที่อินเดียคงคล้ายประเทศลาใช่ไหมรถมนไปไวไม่ได้ใช่มครับมันไปได้อย่างมากขค่นั้นแหละเขาไม่ไปไวกว่า น, นั้นหีือยู่ายนน้าหนึ่งเ้ารอปี1เรื่องของพระเจ้าคุณพิสารนะครับินทานินทานต้นบรรยัตินะครับโดยสมัยนั้นทุงพระภาค พ, พระเจ้าประทับ อ, อยู่หน้าพระเวฬุ ว, วันวิหาร อันเป็นสถานที่พระราชฐานเหยียอแกะแกรแเเดเขตพระนครคือครั้งนั้นที่สู่พากันส่งน้ำอยู่ในแม่น้ำํำตะโพธาขณะนั้นแลพระเจบบ้ามุบิสารจอมทัพแห่งบางคราเสร็จไปสู่แม่น้ำํำตะโพธาด้วยพระราชประสงค์จะสง ส, สนามพระเสียงกาย้าวจะสาดหัวใช่ไหมง <c oughs> <c oughs> ่ า, งงายๆจะสระหัวนะครับแล้วประทับพักรออยู่ในที่คนแห่งหนึ่ง ด้วยตั้งปธัยว่าจะสงสนามต่อเมื่อพระคุณจ้างสศงน้ําเสร็จพอไปถึงกำลังอ่านนะครับทไมพระราชาก็เลยรอนะครับรอนะที่อยู่ท้างหลายนี่สงน้ําอยู่จนถึงเวลาพบค่ําพบนะพบค่ํำนะจึงสงน้ํานานนะพระราชาก็เลยรอนานเลยนะครับดังนั้นเช้าเธอจึงทสงจึงสงสนามพระเสียงกล้าในเวลาพบค่ําเมื่อประตูพระนครปิดใช่ไหมก็กลับเมืองไม่ทันนะ เขาปิดประตูเมืองนะครับจําต้องปะท่าแบรนอยู่นอกพระนครและเสด็จเข้าครอบเมืองภาคเจ้าแต่เช้าทั้งทั้งที่เครื่องปทิมทรงยังคงปรังกฏอยู่นะครับเครื่องอะไรนะครับเครื่องรูปไรนะที่ทรงทางนะครับเนยังคงปรางกดอยู่พระราชาเข้ามืองไม่ได้เเพราะสมัยเขามาถึงเวลาปุบเนี่ยเขาจะต้องปิดเลยนะครับต้องปิดเมืองเลยนะมีไเนี่ย แล้วพระราชาอยู่ข้างน่อยไปสังกัดยังไง <c oughs> ข้างประตูเมืองข้างในนะครับแล้วฝนก็ไปช้าที่เขาปิดไปแล้วนะครับอืไม่ได้นี่นะ <c oughs> ก็ไปข้อข้อพระเจ้าแต่เช้านีะครับทา้งที่เครื่องประทินนะก็ยังปลากรอยู่ถวารมคมพิมพ์พระเจ้าและประทับเหนือพระราชอาณาสามควรเหนข้างหนึ่งเขาพิมพ์พระเจ้าตัดถามเช้าเธอผู้นั่งประทับ ผู้ประทับนั่งเรียบร้อยแล้วว่าดูก่อนมหาบพิษพงศ์เสดมาแต่เช้าทั้งเครื่องวิเลปะณะที่ทรงยังคงปราดตนอยู่เพื่อพระราชประสงค์อะไรจรึงเท้าเธอการาบถึงเรื่องนั้นแต่พุทว่าพลาดเจ้าเนี่ยพระก็การาบถุถให้พระเจ้าสงสารน่าเรื่องเมื่อวานนี้นะครับพระเจ้าก็ทรงชี้แจงให้เท้าเธอเห็นแจงสมาทานอาหารด้วย่าชอนุธรรมมกถาขั้นเท้าเธิเอาพุทธว่าพลาดเจ้า ทรงชี้แจงเห็นแจ้งสมมาทานอ่านหา ร, รานุธรรมีกถาแล้วสเสด็จูุจากที่ประทับทรงที่ว่าพุทธว่าเจ้าทำประทักศีลแล้วเสด็จกลับนะครับทุกร่รวบรมพประชุมสองทรงสอถามทร ง, ง, ง, ง, งติเตียนพิสูานั้นนะครับแล้วก็มีเสิกจขาบทนี้ขึ้นมาภาพอยียดข้างแรกมีแค่นี้นะครับอันหนึ่งพิสูจด ย, ยังหยงอยงก่ดเดือนอ่านน้ำสุนปัจิตตียังม่ไมีการยกเว้นใช่ไหมั้นแหละนะครับว่าสมัยอะไรบ้าง แต่ว่าสมัยต่อมานะครับครั้งถึงคาวร้อนครั้งกบวนกวาที่จูดเท่าไหร่ครั้งกำลังเกียดไม่อ่านนะพ่อยังไม่ถึงครึ่งเดือนใช่ไหมท่านก็ยังไม่อ่านนะครับจนมถึงหน้าร้อนนะย่อมนอนทั้งที่ร่างกายชุ่มด้วยเหงื่อเหมือนนายย่อมบรรทุศลายทั้งจีวอทั้งเสนาชนะนะพ่อนอนแทาจะเอาจีวอปูนี่นะนอนไปเลยหเหงื่อมันก็เปื้อนจีวรใช่ไหมแล้วไปเปื่อนเสนาชนะอีกกระป๋องอะไรเงี้ยทีนี้ พีจิตรทั้งหลายได้การคุณเรื่องนั้นแดดคุณมาภาเจ้าเุณอาภาเจ้าสรงอนุญ า, าตว่าผู้กองพิจิตทั้งหลาในคาร้อนในคาลโควนกบวายแเราอนุญาตยังหย่อนหนึง่งเดือนกว่าอาาศนั้นได้นะครับพระองค์ก็ทรงอนุา ญ, ญาบรญญันนะเป็นครั้งแรกนะครับอ <c oughs> ที่ว่าอะไรนะครึ่งเดือนทั้งอยู่ร้อนเป็นต้นนล้วสนั้นนะครับต่อไปนรสมัยต่อมาพิจิตรทั้งหลายอาผ้าโอนะครับบรดามพิจิตรผู้พยาบาลไข้ ได้ถามผู้พิสูจนผู้อาฆาตว่าอาวุโสทั้งหลายพออดทนได้หรือพอยังตักผ้านเป็นไปได้หรือพิกษุอาฆาตตอบว่าอาวุโสทั้งหลายเมื่อก่อนพวกผมอาบนะ้ำในการยังหย่อนถึงเดือนได้เพราะเห็นนั้นพวกผมจึงมีความผาสุกแต่บัด น, นี้พวกผมลองเกียยอยู่ว่าพระพุทธเจ้าสรงห้ามแล้วจึงไม่ได้อาบนะ้ำเพราเหตุนั้นพวกผมจึงไม่มีความผาสุขนะครับซึ่ทั้งหลายก็การด้เจ้าทรงทราบผุดูแก็สองอญาตนะครับว่า เราอนุญาตให้พิสูธาผ่านยังยอกถึงเรื่ออ่านน้ได้ก็ส่งรุ่นบรรยัตินะอันนี้ขั้นที่สองั้นที่สามก็สมัยต่อมาที่ต้างหมาทันนวกรรมนะครับทันนวกรรมก่อสร้างเนี้ยทางานนะรัแล้วความกําลังเก็บไมาอ่านน้ําย่อมนอนทําให้นั่งการชุ่มด้วเนงืก็เหมือนเดิมนะเหงื่อนั้นก็กระทุษย์สลายจีวรนะครับทั้งสีนะสนะใช่ไหมก็สกดบอกนี่ก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สังอนุญาตนะครับ ในคราวทางานนะอันนี้ได้ต่อมาในสมัยต่อมาพิจูทั้งหลายพากันเดินทางไกลไปแล้วพากันรังเกียจไม่อ่านน้ําย่อมนอนทั้งนิร่างกายชุ่มด้วยเหงื่อเดินทางไกลเหงื่อออกนะเหงื่อนั้นย่อมรุษร้ายทั้งจีวรทั้งเศนาสนะจูตทั้ทงหลายได้กล พ, พ, พ่งนั่นแต่พุ่งพาก้าพุพ่องพาก้างสองญาณว่าดูก่อนพิทั้งหลายในคราวไปทางไกลรางนุย ญ, ญาณยาังหย่อมสุนเดืออานน้ำได้ สองมือบญญางอย่างนี่นะนะครับขี่ในามทำงานนี่นี่ว่าดไปแล้วงานนี่นะวางไปแล้วนะครับในทางไกลทําการงานทางไกลแล้วก็ข่าวทาจีวรสมัยต่อมานในพิสุไม่ใช่ทําวทำจีวพรพิสุหลายรูปนะครับกําลังช่วยกันทําจีวร อ, อยู่ในที่แจ้งใช่ไหมไปช่วยกันทําจีวรแยบจีวร น, นี่ที่แจ้งนะครับถูกต้องลมผสมทุ่ีลมพันมาใช่ไหม มันก็พัดเอาฝุ่นมาด้วยนะครับมาโดนการพิสูนะ์ะทั้งฝนก็ตกถูกต้องตักว า, างนะครับทีนี้ร่างกายก็โดนฝุ่นใช่ไหมแล้วก็มีฝนมาโดนอีกนะครับ น, นี่ก็สประก้แล้วนะพิสูทั้งหลายทางกาลังจิตไม่อ่านนะย่อมมันจะต้องที่ร่างกายโศมมครับร่างกายที่โศมมย่อม ม, อมทุสร้ายทั้งจีวรทั้งเสนาสนะาจุดทั้งหลายได้การนุ่มนั้นแต่คุณพระเจ้า เมืาา่อพระเจ้าทรงนุญาตมาก่อนเรื่องหมาในท่าฝนปนพายุเราอนุญาตยังห่อมถึงเดือนอ่าน้ำได้ครับฝนปนพายุเนี่ยฝนมันจะไม่แรงใช่ไหมแต่ว่าลมมันจะแรงมันเอาฝุ่นมาด้วยนะครับเปืเป้อน <c oughs> ถ้าฝนตกหนักทีเดียวว่าอาอ่างอะไรใช่ไหม <c oughs> มันก็โดน น, น้าเปื้อนมันก็ไม่เพืเ่อนแล้วนะแต่เนี่ยฝนปัดนปครับมันก็เลยโดนทุ่รีก็โชกโชนผูดโรยก็ส่งมันอยากเป็นครั้งที่ห้า ในคราวนมากาับพายุได้ก็เป็นคตธารมเต็มๆใช่ไหมว่าก็มาดูคำ<ง>อธิบายการขานี่ไม่อยากแลนะเราคงคงไม่ต้องครับก็อยู่ใ น, นปนัจจัยปัจจัยจากชในบทนครับการขาน้าสองว่ายี่บสองครับข้อที่เจ็ดนะครับอธิบายหน้าหานักปิกฐาบท คือทาบวิชาศึกษาบทที่เจ็ดต่อไป <c oughs> บทว่ารหัสเยยยะคุณอ่านใช่ไหมนี <c oughs> ่นะ <c oughs> ความว่าพิสุจด้อยู่ในมัชชิมะประเทศนี่จะเปิดให้ดูว่ามัชชิมะประเทศที่ไหนวินัยพิดกแรกเจ็ดหน้าสาสิบแปเขียนมาให้ข้างล่างนะครับงนาเนี่ยเจ็ดหน้าสาสิบแปดนะครับมัชชิมะประเทศเนีนะ่ยไหนถึงไหนต้อง <c oughs> <c oughs> บอกว่า เขตกําหนดนะครับปัจจันต์่งางชนบทและมัชชิมชนบทนี่นะในทิศบุรภาคือทิศอะไรทิศตะวันออกใช่ไหมครับ อ, อมีนิคมชื่อว่ากัดชังฆะนี่นะทานิคมนั้นมาถึงมหาสาคละนคร น, นอกนั้นออกไปเป็นปัจจันต์่างชนบทรวมในเป็นมัชชิมชนบทนิคมทางครับ <c oughs> <c oughs> อ่าในทิศตะวัอนออกนะนี่ผมชื่อกะลัง่งกะชังชะานะครับแล้วก็มาถึงมหาสารนาครเนี่ยรวมเนยนี้เข้ามานะเห็นไม้ชิมชันชนบุนะครับฐานนั่อหล่านั้นออกไปข้างนอกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัจจันต่างชนบนบุนะครับในทิศอาคาเนทิศอาคาเนนี่นทิ่อะไรครับตะวันออกตะมันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เฉียงเหนือใช่ไหมครับเฉียงใต้ น, นะครับตะมันออกเฉียงใต้ น, น ไม่ใช่อีสานใช่ไหมอีสานสมมติออกเขียงเหนือใช่ไหมครับเขาจะเรียกว่าอีสานใช่ไหมครับอันนั้นคืนออาคเนย์นะแต่มันออกเขียงใต้นคะครับมีแม่น้ำชื่อสังลาวดีสังลาตดีนะครับนอกแม่น้ำสังลาวดีนั้นออกไปเป็นปันจจันตัชนบทร่วงในเป็นมชินมชนกชิะบทนะครับก็ร่วงในแม่น้ำมันเข้ามานะนะะในทิศทัชศิลคือทิศทิศใต้นคะครับอันนี้ มีนิคมชื่อเสตะ ก, กันิกานะครับนอกจากนิคมนั้นออกไปเป็นปัจจันตาชนบทร่วมในเป็นมชิมชนบทนะครับแต่นครไม่เข้ามาในที่ปัจฉิมนะครับคือที่ตะวันตกใช่ไหมครับปัจฉิมมีพามนาคาบ้านพามนะครับชื่อถูนะหนึ่งบ้านของพามชื่อถูนะนอกนั้นออกไปเป็นปัจจันตาชนบทร่วมในเป็นมชิมาชนบทน ในทิศอุดอนที่เหนือใช่ไหมเนี่ยถ้าก็ไล่มาเรื่อยนะครับจนมาถึงที่เหนือเนั่นมีภูเขาชื่อภูศีรัตชานะครับนอกนั้นออกไปเป็นปัจจันตชนบทรวมในเป็นมชิมะชนบทนะครับนี่แะมชิมะประเทศเป็นอย่างนี้นะน้ำตั้งแต่วันที่ส่งนะ้ํายังไม่ครบคึ่งเดือนน้ำั้แต่วันนั้นเลยนะครับสองนะ้นํำน้ามาหนึ่งสองะครับยังไม่ถึงสิบห้าวันเลยใช่ไหมยังไม่ถึงครึ่งเดือนนะ จะแจงจุนหรือดินเหนียวด้วยคิดว่าจะส่งนะเนี่นะเตรียมอะไรนะสะบู่เตรียมอะไรใช่ไหมสมัยก่อนเขามีจุนนะะจุนที่ไม่หอมนะจุนปกตินะครับไม่หอมดินเหนียวนะครับด้วยคิดว่าจะส่งนะอันนี้ต้องบั ท, ทุกกดก่อนนะเบ้นไว้แต่สมัยเสียแล้วตั้งแต่เวลานั้นไปพิสูจนั้นต้องบั ท, ทุกขกดทุกๆประโยคน์ะครับตั้งแต่เตรียมสบู่อะไรเนี่ยนะบัดทุกข์กดก็ทุกประโยคเลยนะครับ สงน้าเสร็จเข้บาบดปานจิตตีจะต้องไปตีเมื่อสงเสร็จนะนะครับต้องรอน่กว่าจะสงเสร็จนั่นแหละเข้บัดปานจิตตีนะครับตอนที่กําลังสงกําลังขันทูอะไรไใช่ไหมก็ทุกกดไปเรื่อยๆนะครับพอสงเสร็จเข้ปาปอนจิตีในบรรดาคราที่จะอาบ น, น้ําได้การงานเพียงกว่าบริเวณชื่อว่าคราทาการงานเนี่ยนี่นะกวาาบริเวณกวาดขยะอะไรเนี่ยนะ ที่ว่าพนาแล้วนะครับพิสูต้องการจะเดินทางประมาณครึ่งโยกกำลังเดินทางอยู่หรือออกเดินทางไปถึงที่แล้วนะครับอันนี้ก็ชื่อว่าทาเดินทางไกลลมพัดฝุ่นติดตัวพิสูตนะครับเมื่ออยากฝนตกถูกต้องการสองหรือสามหยางนี้ชื่อว่าขาวฝนมากับพายุนะครับคาวเช่นนี้พิสูสา ม, มารถส่งน้ำได้คำที่เหลือมีเนื้อความชัดเจนแล้ว อี่าแค่นี้นะเหตุเกิดได้ประเทศในอามาบาทสิกขาบนนี้คุาป้าเจ้าทรงปรลดพิสุหลายรูปในเมืองราชฤกษ์บัญญัติไว้แล้วเพราะเหตุคือการสงงา่งน้ํำโดยไม่รู้จักประมาณสิกขาบนนี้มีอนุบัญญัติหกนะครับคือเว้นไว้แต่สมัยเป็นต้นนะเป็นสาธสนาบัญญัติพิสุนีก็มีนะครับท<ม>ี่นีก็มีใช่ไหม ย, ยาปนักพิสุนีใช่ไหบ อ น, นานติกาไม่เกี่ยวกับการใช้นะั้นสงเองครับติกาปาจิตติย่อนครึ่งเดือนใช่ไหมเข้าใจสงสยัยคนผิดไปอ่านนะครับก็ต้องแบบนั้นเกินครึ่งเดือนแล้วเนี่ยสําคัญว่ายังไม่ถึงหรือว่ามีความสงสัยถึงืียอมก็ต้องมาทุกต์เนาะถ้าเปอ่านอ น, นาบัตที่สุดไม่ต้องอาบัตคือเกินครึ่งเดือนแล้วสําคัญว่าเกินจึงสง นี่ได้นะแรือว่าครึเดือนพอดีหรือว่าเกินใช่ไหมผสมน้ําได้สงในคลาที่จะสงได้นะครับก็คือในสมัยนะสมัยทั้งอะไรทั้งห้าข้อที่ว่ามันนะครับในคลาร้อนคาตะวนกระวานเป็นต้นนะไปยังฝั่งน้ําสงในบ่อ น, น้ําที่ตนขุดทรายทําไวนะ้เนี่ยสมัยผมอองงเมื่อกี่ยวไรกขุดทรายทําไว้นะครับตรงนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างนี้นะ เวลาเราจะข้ามแม่น้ำไปใช่ไหมข้างอยูฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นใช่ไมครัมันตัวเราจะต้องเปียน้ําต้องโดนน้าอยู่แล้วใช่ไหมครับในสมัยนั้นนะมันอ่านน้ําไปในตัวใช่ไหมเขาก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นอานบัง้งเพราะไปในคราวข้าข่าป้ากนะไปอีกฝั่งนึงนี้เขาบอกว่าถ้าแม่น้ํานั้นอ่ะมันเกิดแห้งมันไม่ค่อยมีน้คะคะําแห้งใช่ไหมครับในแม่น้ําแห้งในแต่น้นําสายเล็กๆนะหรือมีซายที่จะไปขุดซายนะครับ และให้น้ำมันเ อ, อ่ยขึ้นมาใช่ไหมพอขุดทรายแล้วมันเป็นอางบัตดใช่ไหมครับ<ม>ก็อางน้ําในบอ่อน้ํารายแหละก็ได้หายครับถือว่าเป็นคลาที่ข้างฝ้านะเนี่ยว่าแต่ตอนที่ข้างฝ้าเวลามีน้ําเลยนะแม้แต่แม่น้ําแห้งแลแ้วอย่างงี้ย น, นะครเราข้าวฝ้าไปก็ยังถือว่าข้างฝ้านะก็ขุดบอ่อน้ายขึ้นมาอางน้ํามันได้ไครับ อ, <ม>อยู่ในปัจจุบันชนบท น, นี่อ่างได้เป็นนิดเลยคือ <c oughs> วันใช่ไหม ตอนนี้นะที่ข้ามาหาการเจริญหน้านะซึ่งสงลูกศิษย์ใช่ไหมมาขออนุ ญ, ญาตพิเศษใช่ไนะหมครับนั่นนะอันนั้นไม่เป็นนิสนะครับมีอันตรายนะครับนี่ก็ได้มีอันตรายถูกมาแรงมาแรงผู้ไล่ต่อยนี้นะโดดลงในน้ำนะครับก็ื่อจะหนีนะเป็นต้นนะครับและพ่สูจบ้างเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบ น, นะครับสิครับันนี้มีองศาคือหนึ่งอยู่ในมัชชิมประเทศยังไม่ครบครึ่งเดือนเลยสงนาะ สองไม่ใช่คราบที่ส่งได้สามไม่ใช่สมัยนะสามไม่ได้ไปสู่ฝั่งน้าหรือไม่มีอันตรายเมื่อครบองศาก็ต้องบดไ ป, ไปตีในสีกขาบท น, นี้นะครับสมุติถามเป็นต้นเหมือนกับเอละการโลมาสี่ขาบทแรงคืออะไรชอบการกายจิตอะครับเนี่ยจําหน้นะนะกายการจิตมันจะมีอธัธนาศายหนึ่งแล้วก็จําได้ใช่ไหมเอลการโลูมา ถ้าบอก่เหมือนกับกระถินสินค้าบนจําด้มครับเหมือนเหมือนปฐมกระถินสินค้าบนครับกาการวาคากายวาากาวาาจิตยงอันเลี้ยงอัน ก็วาดแล้ไอ้กายกายวาจามีสี่นะปฐมบทินนะอาที่แก่ตีเด็กจีวอไม่เกินสิบวันครับนั้นะเรียกปฐมบทินขาบทอาจาระครับอาจารย์เนี่ยี่ให้จำให้ได้กายกายวาจา จิต <Jub ilee> <açık> ให้ค <blueberries> ูมไปเลยกายวาจาจิตนี่ครับกายกายวาจากายจิตกายวาจาจิตนี่นะกายกายวาจากายจิตครับงั้นครับนี่ถูกป่ะนี่ถูกนะหนี้แค่นี้ใช่นะสมทาร์สีนี่ครับจบการที่บบยนืหาน้าสิขาบท การจบนะจะไปนะครับโอ้ยที่ชื่อสุเมียฐานนั้นผมยังไม่ได้โทรไปถามจำเลยนะที่ว่าถวายค่ า, าวให้พทธเจ้าน่ะขาดประเคนหรือเปล่านะครับถ้าเอาตามความเข้าใจก่อนนะเข้าใจว่าขาด น, นะครับหรือไม่แนใ่ใจครับก็เราเทียบเคียงเดี๋ยวว่าอะไรนะที่ว่าสลัดแล้วใช่ไราไม่เยอใหญ่น ะ, อะไอส่วนโคตรนั้นได้นะครับ คือสละถวายพระเจ้าไปใช่มไมแล้วพระเจ้าก็ไป็นนิทานไปเลยอันนี้มีความเห็นส่วนตัววนะนะันนั้นนะครับแค่เตรียมตรงนั้นดูแต่ยังไม่ได้โทรถามหรอกนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคถามว่าอะไรทในวันนั้นนะอ๋อนะน้าตานะที่รรมีสุตรทำเองช้าเพื่อเที่ยงใช่ไหครับแล้วก็สลดให้เนยไปเล ย, อยของเนไปแล้วพอดีพออะไรเที่ยงไปแล้วเนก็ออกมาถวายฉัน ด, ด้วย จะฉันได้ใช่ไหมครับมันได้่านะครับไอ้ตารความเข้ใจนะก็เข้าใจว่าได้นะครับเพราะเราถือสละให้เนยไปแล้วนะเป็นของเนปแล้นะครับก็ไม่เก็บของเราก <c oughs> ็จะมาได้อันนี้เทียบเพียงจากอะไรทเทียบเพียงอย่างตรง น, นั้นนะครับเรื่องของที่เป็นขันหิตเนี่ยของที่เป็นขันหิตเนี่ยถ้าเราแบบมันเป็นขันหิตแล้วพิสูจน์ฉันไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ไม่เอาแล้วนะสละให้เนไปเลยนะครับแล้วก็มาถวายคืนให้นะก็ยังฉันได้ ก็เทปกีตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวจะถามให้แน่ใจอี ก, อกทีนะ <c oughs> อันนี้ให้สัยไปก่อนนะครับถ้าอย่างี้ก็แก้ไขนะ